ก็ได้นะแต่อย่าไปเป็นของมันพนะอแม่ได้ฟังแนละ้วแม่ก็ได้สติกลัมาวนะ่าเออลูกเสอนเนะราเนาะการบูงของเขาเนี่ยถ้าเขา ไ, ได้ประโยชน์หายอย่างนะน้อยเขาเห็นได้ว่าสตินะที่เกตือนแม่ได้ก็คือวิที่เขาเขาก็จัดใจความหลักในการปฏิบัติทำไดนะ้เขาเลย ทำให้ปัานละมันเด็กๆนะแม่ได้วควาฝึกก็มีทางยึส่งนะครับให้เขาเกิดความสนใจเรื่องของสติพวกเราเคยเป็นมั้ทบางทีเราเห็นอะไรเนาะบางทีมันจะเกิคค ด, คคดความคิดเกิดความรู้สึกขึ้นมาเหมือนแม่สักผูดเนะี่ยก็คือเขาเขามองเห็นภาพใหญ่ ออคืแม่คนนั้เองที่เพิ่งเสียที่พิสไปนะก็เลยเกิดความคิดถึงนะความคิดถึงกันอาจจะเป็นคิดถึงสิ่งที่เคยได้อยู่ร่วมกันเนาะทั้งทํางานความดีหรือว่าคิดอนะไรอะไรที่ไม่ได้อยู่กับยายแล้วไม่ได้เห็นยายแล้วบานะงทีอารมณ์ก็แนะ่พอเราคิดถึงแล้วนะมันก็ต่อเนื่องไปนะเป็นอารมณ์ สนใจบ้างบางทีคิดถึงสิ่งที่ดีเราต้มีความสใจเลยคิดถึงอนาคตเมื่อไม่ได้เจอกันแล้วนะไม่ได้เห็นยายแล้วก็อาจจะเกิดความเศร้าใจบางทีความคิดก็เป็นแบบนี้เมื่อคิดแล้วถ้าเราไม่รู้ทันมันก็จะเกิดการปุ่มแตก แต่ความปุ่นแต่งเป็นความสุขบ้างเป็นความทุกข์บ้างใช่ไหมเวลาเราคิดมันก็จะเป็นแบบนั้นมันก็เกิดจากการเนี่ยบางทีจากการที่เห็นรูปเนาะตาเห็นรูปก็เกิดความจําได้ไหมรูปก็คือสัญญาณจําได้รูปนี้เป็นรูปแม่ของเรานี่ยก็เกิดการปุ่ม เกิดเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจเกิดความสุขเกิดความทุกข์ึ้นเกิดการปรงแต่งต่ออันนี้คือมันก็เป็นธรรมดาหูได้ยเสียงก็เหมือนกันเนาะเสียงเกิดขึ้นมาได้ยินใครพูดถึงนะเราก็เกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจขึ้นมาเกิดความปุงแต่งต่อนั่นะ ถ้าจะว่าเลยย่อยอๆแก็คืออาญาณ น, กนะก็สิ่ตาหูจมูกลิ้นกายสุดท้ายอีกอย่างก็คือใจบางทีก็มีนะเคยนั่มาไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายที่มันเป็นติดที่เด่นๆแต่ความรู้สึกข้างในมันก็ยังขุดขึ้นมามันขุดขึ้นมาเองในจิตใจเหมือนเราปฏิบัติทำอะไรผมก็ได้เห็นว่า บทีมันฟุ้สร้างเดินเลยนะทั้งที่ไม่มีอะไระเลยนะอ่ก็เดินอยู่ในที่เดเป็นกลมเหมือนเดิมและกลับไปกลับมาติที่มองเห็นก็เป็นเรื่องที่ชินแล้วหรือนั่งนั่งจังหวะก็ตาก็ไม่มองสนใจอะไรเสียงที่เกิดขึ้นในขณะนั้นก็ไม่มีอะไรน่าสนใจแต่ใจเราเองก็ยังฟุ้งซ่านอยู่อันนี้มันจะเกิดขึ้นขึ้นบ่นอยมาก หรือถ้าเห็นชัดเจนขึ้นมาเช่นตอน เ, เป็นตอนเนอนเนาะแล้วก็นอนหลับตาไม่ได้มีอะไรขึ้นมาอ่านะหรงทีตอนฝันมันก็ยังมีความคิดยัมีความฝันขะึ้นราะฉะนั้นอาณาจักรนะทั้งนะ อ, จจองฟกเนี่ยตาเป็นหมูลี้นกายแล้วก็ใจเนะี่ยมันเป็นทางเข้านะเป็นทางเข้าของอารมณ์ความปรุงแต่งขึ้นใ้จริต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 ที่เป็นที่โรงเรีย น, นที่ตึกรานาดของเราเนอะมันมีกล้องกล้องวงจรปิดดูในบริเวณทางเข้าของประตูต่างๆนะถ้าเรเป็นยามเนอะเราก็จะหน้าที่เราก็ดูที่ตรงจอเนะจอภาพหรือว่ามีอะไรแปลกลอมเข้ามานะในทางเข้าในทวารต่างๆของเราเองนะแต่ก็พิแค่ดูดีใจ อะไรเข้ามาทางตานะเข้ามาแล้วเกิดความคิดเกิดความรู้สึกอย่างไรขึ้นมาเรารู้ทันเสียงเกิดขึ้นมานะเมื่อเราได้ยินแล้วเกิดความพอใจหรือไม่พอใจขึ้นมาคอยรู้ทันนะทางเข้าในจิตธรรมมัามีหงทางนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเยมันเข้ามาทําไหนสติรู้ทันนะ บางทีชีวิตจริงๆน่ะบางทีมันเหมือนจะเข้ามาตคล้องกันมันเข้ามาคล้องกันนั่นแหละแต่เพียแต่ว่าอารม์ที่มันเป็นในแต่ละษณะเนี้มันจะต่างกันเช่นตอนะเรานั่งอยู่ตรงนี้นะมันมีสิ่งที่มันเข้ามาอทั้งหมดนแหละหกทางตาก็มองเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะ หูได้ยินเสียงติดเนี่ยงมาพูดอยู่ตือเสียงแอร์นะที่มันแรงหน่อยนะจมูกก็อาจจะได้กิน่นแต่อาจจะไม่ได้เห็นนะ้ไม่ได้มีกลิ่นอาหาอะไรขึ้นมาก็เป็นกิน่นธรรมดาดีน่า จ, จะไป็เล้งลำพัดอะไรนะแต่กา จ, จะมีน้ํารายา จ, จะมีอะไรก็เฉินฉยธรรมดาร่างกายสูกความหนาวนะขึ้นนะก็อาจจะทำให้เกิด ความรู้สึกขึ้นมาก็ได้นะอาจจะรู้สึกคิดปรุงแต่งอย่ากผ่อนแอนเนาะหรือว่าอยากหาเสื้อตันาวเนาะอะไรนะฮะก็เกิดความปรุงแต่งขึ้นในใจหรือใจเองก็สัมผัสกับความคิดอารมณ์ในร่างๆที่มันปรุงขึ้นมาเองออกมาที่จริงมันเกิดขึ้นพร้อมกันทุกขนานนะแต่เพียงแต่ว่าอะไรมันดีมันก็จะเป็นความรู้สึกขึ้นนะ เช่นสมมตริร่างกายระถูกความเย็นขึ้นมาเด่งขึ้นมาความปรุงแต่งก็จะปรุงแต่งในเรื่องของของรู้สึกหนาวความรู้สึกต้องการเรื่อง ค, ความอบอุ่นร่างกายแต่ถ้าบาคนมันถูกนี้แล้วมันสบายแล้วไอ้พวกนี้มันก็ไม่เป็นปัญหาสําหรับตัวเราเองนะมันก็อาจจะกลายเป็นความคิดนะเป็นอารมต่างๆขึ้นมาเด่เนขึ้นมาแทน นั่นการมีสติเนี่ยเราจะไม่มันจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้แต่เนาะเราเราไปห้ามเขานะให้มันเกิดขึ้นตามความเป็นจรินั่นแหละนะไม่ใช่ว่าเราต้องไปควบคุมจัดการหรือว่าไม่ให้มันเกิดขึ้นแต่เมื่อมันเกิดขึ้นหน้าที่เราทำเพียงแค่อย่างเดียวเพียงแค่รู้ตัวการรู้ตัวก็คือการรู้ว่า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 ปรัเปี่ยนหรือหาเคื่อนมันนุ่มหงมรา่างกายเนะี่ยนอกจากเปลียนแค่รู้เฉยๆแล้วถ้ามันเป็นหนักมากเนาะมันก็ต้องกานเท่านะทุกของกายเนี่ยมันไม่ใช่สามารถเปเลียนแค่กำหนดรู้ก็้มันจะหายเนะพราะร่างกายมันมันเป็นมันเป็นธาตุที่มันเป็นทุกข์ น, นนะรา่างกายเหนียวก็ต้องกินนะเมื่อยก็ต้องพักง่วงมา ก, มากนะก็ต้องนอน ปวดเมื่อยมากๆก็ต้องเปลี่ยนท่าในร่างกายแล้วก็ทาหน้าที่แบบนี้น ะ, ะนั้นเวราปฏิบัตนะิคำเนี่ยเราก็ปรับเปลี่ยนได้นะนะในนอกจากในบางวิธีบางทีท่านจะจะสอนให้ดูเวทนาของร่างกายให้ผ่านเวทนาของร่างกายใี้ได้แต่จริงนะเราจะดูถึงระดับหนึ่งนะนะ ไม่ใชงว่าปวดเงื่อนคั้งหนึ่งก็เปลี่ยนอนะ่ะแต่ให้ทนทั้งแรกเงื่อนยันหนึ่งเนะมื่อกีนะ้หลวงพ่อก็จะบอกว่าสึงมันถ้ามันอยากจะเปลี่ยนให้มันขอเปลี่ยนทั้งสามครั้งก็เปลี่ยนนะคือมันจะเกิดความปวดเงื่อเนเจ็บขึ้นมานะนะอยากจะเปลี่ยนมากๆแล้วนะครั้งแรกก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนตามมันดูอดทนดูมันไปก่อนอดทนดูมันไปก่อน พอสักพหนึ่งได้แข่ขอครั้งที่สองนะก็ดูไม่อนนะเองกันน้องเลยเขา้ายจะต่อลรงกันนะพอครั้ที่สาแล้วเออตรงสมควรนะสมควรแล้วเขาให้ความเปลี่ยนท่านก็บอกเป็นเทคนิคนะเป็นเทคนิคว่าพางทีเร า, าทีเราก็ทําอะไรแบบตามอารมณ์นาะเราอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนทันทีนะนะนะเนี่ยนี้ มันเราเบืออะไรวสอย่างหนึ่งนะเราต้องพักจากสิ่งที่เราทําทันทีนะเป็นหาสิ่งที่เราคิดว่ามันจะสนุกกว่าใช่ไมบางทีเราอยู่คนเดียวเราเลื่อทางไหนดีก็หาเรื่องไปคุยกัคนอื่ดีกว่านะไปดูหนังฟังเพลดีกว่าจะได้อกอกจากอารมแต่เนี้ยบางทีเราก็คืก ด, ดูดูอารณ น, นะบางทีเราจะเห็นเลยว่าที่จริงมันไม่ได้ว่าทานไม่ได้นะ แต่มันไม่อยากคนบางทีปัญหาของคนสมัยนี้นะมันไม่อยากคนนะไม่อยากรอหรือว่ามันไม่ชอบความเหนนะือยิ่งยุคสมัยนี้นะมันมีอะไรที่มันเยอะแยะมากมายที่เราเป็นความสะดวกสบายนะหรือเป็นความรวเดเร็วเราเชื่อว่าปฏิปทาคือความรวเดเร็วความสะดวกสบายเนาะเราก็เล้ม่รออนะินเทอร์เน็ตนะ ถ้ามันช้าหน่เราก็รู้สึกมันลำคา่ะถ้าทั้งที่แต่ก่อนเนะก่อจะโดลข้อมูลได้ในตั้งร้อนนะสมัยนี้รอไม่ได้นะอือันนี้นาอาหารสั่งก็ต้องเร่เร็วพอเราฝึกอ่าไม่ไมป็นฝึกพอเราอยู่ในความเคยชินแล้นะบางทีจิตมันมก็จะเกิดความเบือเกิดความมือกิจได้ง่ายแต่บางที น, น ะ, ะเราก็ต้องฝึกรอบ้างฝึกคนบ้างฝึกฝืนบ้าง น, นะ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 ก็จำความรูสึกได้ตอนปฏิบัติทำใหม่ๆนะตอนนั้นก็ยังไม่ปวดเลยครับทีแล้นั่งขัดสมาธิเพศเลยนะปวดขาหนะ้าแต่ก็ต้องมันอยากเปลี่ยนแค่ห้านาทีก็อยากเปลี่ยนอนะ่ะพอรับสุกไปเรื่อยๆติ๊บนาทีก็พอได้นะ ก, ก็เริ่มมันคล้ายๆความรู้สึกอยาเปลี่ยนครังแรกก็ค่อยนานาขึ้นนะเอาไปติบนาทีได้ติบห้านาที ยี่สินาทีนะครึ่งชั่วโมงเลยนะเออค่อยมันก็ค่อยพัฒนาเป็นชั่วโมงนะเป็นสองชั่วโมงนะมันก็ได้นะนะแต่มันก็ไม่ใช่เกินนั้นหะนะต่อชั่วโมงก็เต็มทีแล้วนะบางทีสมาธิไม่พอก็ปวดในต่ อ, อ, อ, อสู้เวทนานะของร่างกายไม่ได้แต่มันก็เห็นก็คื อ, อมันเป็นพัฒนาการที่เราก็ถือของเรานะ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 สมาธิคืออะไรสมาธิคือใจที่ตั้งมั่นนะใจที่ตั้งมั่นต่ที่มันคงเนี่ยเียกว่าสมาธินะสมาธิไม่ได้แปลว่าใจสงบใจไม่มีความคิดนะใจมีความสบายอย่างเดียวนะที่จริงสมาธิจคือใจมัตั้งมั่นไม่หวั่นไหวนะเหมือนเด็กมีสมาธิในการเรียนนะมันก็จะ อยู่กับเนื้อหาที่เรียนอยู่กับสิ่งที่อ่านคือสิ่งที่คุณครูพูดนะแต่ถ้าเด็กที่มีสมาธิสั้นก็คืออยู่กับสิ่งที่อยู่บนหน้ากระดานนี้ในห้องเรียนแค่สั้นๆ น, นะแต่วเขาก็วอลกแวกไปตุยกับเพื่อนหรือไปคิดเรื่องนั้นนี้หรือไปแอบว่าคู่แผบผ่านประตูน น, นั่นคือมันไม่มีสมาธิใช่ไมอมแต่ถ้ามีสมาธิคืออยู่กับสิ่งที่กําลังทําเฉพาะหน้าอยู่ เราทําการงานอะไรก็เหมือนกันนะการที่เรามีสมาธิคือเราอยู่กับสิ่งที่เราทําได้อนะย่างมันง่นคงแม้บางทีจะมีความคิดเบื่อมีความคิดอยากจะไ ป, น, ป น, นั่นไปนี่หรือสิ่งที่มาตะคอกมารบกวนในขณะที่ทํางานมันเกิดขึ้นมาแต่เราก็สามารถตั้งมั่นในการที่อยู่กับมันได้นะไม่ใช่ว่าตั้งมัน่นคือไม่ค่อยตีนะมันค่อยตีแต่กลับมาได้นะ กลับมาได้เหมือนคล้ายๆเราตอกเสาหลักนะลงไปในทีนนะ่ะถ้าเราตอกเสาลงไปในดิน่นะเพียแค่แรกๆเนะี่ยลงไปไม่มากเนะีเสาต้นนั้นมันก็ถ้ามีใครมาโยกมีใครมาดึงนะบางีแค่เด็กมาเล่นนิดเดียเนี่ยเสามันก็ตือจากดีนะ่ะแต่ถ้าเราตอกเสาลงไปลึกๆลงไปเรนะื่อยๆเนี่ย บางทีผู้ใหญ่หมาโยกก็อย่างนี้เรียกว่าไม่สามารถจะดึงขึ้นมาจากดินได้นะสมาธิจิตคือการต่อกลงไปให้มันมั่นคงขึ้นมันคงขึ้น น, ะนี่หรืออะไรหรือจะเปรี่ยบเช่นอย่างคล้ายคลึงกับต้นไม้ถ้าเราเปลูกต้นไม้ใหม่ๆต้นกล้าปลูกไปใหม่ๆรากมั น, ะ น, น, นมมก็ยังไม่จับดินะลําต้นมันก็ยังไม่แข็งแรงเด็กมาลึงเล่นหรือว่า ตนะัวไฟตัดมามาดินมาถอนเนี่ยมันก็ถูกง่ายแต่ถ้าต้งมาจะนั้นค่อยๆดังอย่างระอาขึ้นลงไปในดินตามต้นโตขึ้นนะมีแกนนะมีแกนะ่ในตัวของมันเองเนี่ยอะไรจะมากระทบเนี่ยมันก็ยากที่จะโค่นลงยากที่จะถอนขึ้นมาจิตของเราเองก็เหมือนกันนะ จิตเราที่ไม่มีสมาธิเนี่ยนะมันก็จะไหวเป็นตามอารมณ์ได้ง่ายนะอารมณ์อย่างที่พูนในตอนแร้ว่าพอทีตาเราเห็นผ้าสักอย่างเนะี่ยมันก็เกิดเกิดอารมณ์เกิดความคิดตึงแตกขึ้นมานะอันนี้อาจจะห้ามไม่ได้นะแต่ข้าพเจ้าที่มีสติก็คือว่ามันจะไม่ไหลไปกับอารมณ์นะมันจะไม่มีอิจกับอารมณ์มันรู้นะมันคิดถึง แต่นไม่อินนะแค่รู้มันเป็นความคิดคิดถึงแต่ไม่ไปอินเป็นความเศร้าเป็นความสุขเป็นการปุงแต่งนะเรื่องราวต่อเนื่องจากภาพที่เห็นขึ้นไปนะมันก็อยู่แค่ตรงนั้นนะพอตายอย่างลูกเกิดความรู้สึกว่าคิดถึงขึ้นมามันก็จบแค่คิดถึงหมูได้เปลี่ยนขึ้นมาเกิดความไม่พอใจขึ้นมันก็รู้สึกแค่ว่าไม่พอใจนะ แต่ไม่ก็เป็นปรุงแต่งเป็นวิจารณ์ไปอะไรมากมายกับสิ่ที่นะอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้หรือว่าเสียงที่เกิดขึ้นมาเนะี่คือมันมีสมาธิตรงนี้นะอันนี้สมาธิที่มันมีสติมาประกอบอาจะเป็นแบบนี้นะที่มาพูดคือสมาธิที่มีสติเข้ามาประกอบสติคือการรู้อารมณ์รู้ทันปิกิดขึ้นสมาธิไม่ใช่แบบ ไม่รับรู้อะไรนะบางทีสมาธิทางโลกหรือมิจฉาสมาธิคือสมาธิที่ไม่ไม่เป็นสมาธิที่ประกอบที่สติแล้วก็ปัญญาเมื่อทีมันต้องเป็นความตั้งมั่นแต่ดิดกั้นไม่รับรู้สิ่งต่างๆนะอันนั้นมันก็อันคือมันเรียกว่ามันมากเกินไปนะหรือเราเคยสเกตบางทีเรา เราสนใจอะไรกักอย่างหนนะบางคนที่เป็นศิลปินนะวาดรูปอินกับสิที่กำลังวาดนะไม่สนใจสิ่งรอบข้างอะไรจะเกิดขึ้นมาเหมือนไม่รู้อะไรนะอ่านะไม่รับรู้ไม่รู้สึกนะหรือบางทีเราเคยทําอะไรไหมรู้สึกว่าทําไปเรืยนะมันปวดแขนนี่ก็มีรู้สึกนะอ่านะพอทําเสร็จแล้วค่รู้สึก เออก็รู้สึกว่ามันปวดแขนปวดไหล่นงคนเนี่ยว่าทู่เป็นสองสามชั่วโมงกีกับสิ่งที่ว่าพอวาดเสร็จแล้วค่อยมารู้สึกว่ากตัวเองปวดเมื่อยไปทั้งตัวเลยยืนวาดนะไกลนะหรือบางทีเด็กๆน้องบางทีตอนเล็กเนี่ยสนุกสนานมากมายเลยพอเล่นเสร็จแล้วก็ค่อยรู้สึกว่าปวดผิ้วนะเมื่อยเดินเจือนอะนี้ก็มี อันนั้นสมาธิถ้ามันมากเกิเปนปมันจะดีแค่อารมณ์เดียวนะแต่สมาธิที่มีสติเข้ามาปรนะกอบเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกตัวชั่วองนะรู้สึกตัวชั่วพองอารมณ์ก็เกิดความมั่นคงขึ้นแต่เมื่ออารมณ์ไหวไปทางไหนสติจะทําหน้าที่เหมือนรู้ทันนะเหมืนอนที่จะมาพูดในตอนนั้นบอกว่ามันจะสติเนะี่ยมันจะเป็นผู้ดูดู าวารต้งหกประตูทั้งหกที่มันจะเกิดอารขึ้นมาเนะี่ยสติจะคอยรู้ทันนะเมื่อตาเห็นรูปนะ เ, ปนนเห็นนะมันก็เห็นนะแต่ถ้าเห็นแล้วมันเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจขึ้นมาสติจะรู้ทันนะหูได้ยินเสียงนะเสียงเกิดขึ้นมาแล้วนะเกิด ค, ความชอบเกิด ค, ความไม่ชอบพอใจไม่พอใจขึ้นมารู้ทันนะ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 มีเพื่อนมาแก้มีเครื่อนมาลอ้อมีเครื่องมาหยอกมีเครื่องมาชวนไปเล่นที่อื่นนะถ้าเด็กคนนั้นมีสมาธิมีสตินะก็จะรู้ตัวว่าถูกแก้ถูกชวนถูกล้อถูกปลอกอแต่ไม่ลำคาญแล้วก็ไม่ตามเข้าไปนะแต่ถ้าคนที่มีสตินะก็อาจจะเผลอไปลำคาญเผลอจะม่ชอบแล้วก็อาจจะไปต่อว่าทํำร้ายจบปีกัน หรือบางคนชอบนะเขาชวนไปเล่นก็ชอบไปเลยทันทีนะก็คือเกิดไปกามเขานั้นการขาดสติเนี่ยมันขาดที่สองอย่างครับขาดอย่างนึงก็คือไปทาตางเขานะไปทําตามอารมณที่เขามามาชวนมาลอกมารลอกนะอันนี้คือทำตามอารมณ์นะอย่างที่สองก็คือการที่เราพยายาม ปฏิเสธหรือที่ไม่ชอบก็เลยไปต่อตา้านก็เลยไปขัดขืนก็เลยไปเกิดความไม่พอใจขึนะ้นนะนั่นคือความหลงมันจะมีสองลักษณะแบบนหนคนระับคือหลงไปพอใจบ้างหลงไปไม่พอใจบ้างหรือเรียกว่าหลงเผิดไปทําตามเขาหือหลงไปมีความไม่พอใจก็เลย พยายามผักใสเเขานะพยายามแบบกระทบกระทั่งผักใส่เขาออกไปแต่การมีสติเนาะมันจะเป็นทัศนที่เหลือสองอย่างนี้นะเป็นการดูเพียงแค่ดูนะไม่ต้องไปทำอะไรนะอะไรเกิดขึ้นมาในกายเนี่ยดูเฉยๆอะไรเกิดขึ้นมาในจิตใจเนี่ยดูเฉยๆการดูเฉยๆการรู้ซื่อๆเนี่ย มันก็ไม่ง่ายนะมันก็ไม่ง่ายครับเพราะว่ามาดูแลเราก็จะไปเกิดอารมณ์เกิดการปรุงแต่งขึ้นมาแต่ถ้าเมื่อไรที่เรามีสีจริงๆมันจะรู้เฉยๆแต่มาจจะแค่สั้นๆนะพอรู้เฉยแล้วอาจจะเกิดความปรุงแต่งขึ้นเกิดความชอบเกิดความไม่ชอบนมื่อไหร่แล้วก็เพราะอะไรเพราะคิดมันมีมันมีความอยากะนะ ม, มีความอยากเกิดความไม่อยากต้นใจอยู่เป็นสาเหตุเขาให้เกิดการปรุงแนะต่งขึ้นเราก็รู้ทานมาทีหนึ่งนะบาทีมันรู้ทานตอนแรกว่ามันหยุดแล้วต่อไปก็าจะหลงไดนะ้อีกก็ไม่เป็นไรหลงอีกก็รู้ใหม่ปัจจุบันนะมันจะเกิดขึ้นใหม่ไปเรื่อยนะมันจะซ้อนขึ้นใหม่ไปเรื่อยบานะทีเราก็ถึงแค่รู้เฉย อะไรเกิดขึ้นมาใหม่เราก็ดูไปเรื่อยๆนะคล้ายๆเหมือนกับเราดูโทรทัศนะน์หน้าที่เราก็แค่ดูตรงโทรทัศน์ภาพมันจะเปลี่ยนขึ้นมาเสียงมันจะเกิดขึ้นมามันก็เป็นภาพใหม่เรื่อยๆนะเราไม่ต้องไปกดนะรีโมทเพื่อย้อนไปดูภาพพอดีที่มันชัดนะไม่ใช่เหมือนเราดูวนะีดีโอนะดูดีวีดีแล้วงที เมื่อกี้ดูไม่ชัดนขอหยุดสักหน่อยแล้วก็ย้อนกลับไปดูให้มันชัดในอดีตไม่ต้องนะมันเหมือนภาพชีวิตของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนขึ้นไปเรื่อยๆนะคืออารมณ์มันจะเปลี่ยนขึ้นไปเรื่อยเราต้แค่ดูสิ่งที่เุดขึ้นในปัจจุบันให้ที่มันผ่านไปแล้วดูไม่ทันดูไม่ชัดลงไปแล้วช้ำของมันนะเราแค่รู้สึกในปัจจุบันนะเช่นเมื่อกี้มันเกิด อเกิดความคิดอะไรักอย่างห น, งนึ่มันคิดอะไรเนาะมันมีเหตุทําไมถึงคิดแบบนั้นเนาะไม่ต้องไปนสนใจสนใจว่าทําไมมันถึง ม, มีเหตุต้องคิดแบบนั้นฮนะเราแค่รู้ว่าตอนเนี้เราสงสัยสงสัยว่าทำไมมันคิดแบบนั้นนะรู้ลงไปเลยว่าใจกําลังสงสัยขึ้นมานหรือมันเกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วมันเกิดความไม่พอใจอารมณ์นั้น ก็รู้ออกไปในระขนาดจิตนั้นะเลยว่ามันไม่พอใจขึ้นมาแค่นะั้นพอเลยนะอันนี้คือการรู้ทันอารมณ์แต่เราการรู้ทันอารมณ์เราไม่ใช่ว่าเป็นนะั่งคอยดูแต่อารมณ์ความคิดตลอดเนาะการปฏิบัติธรรมนะมันมีกรรมฐานตั้งอย่างที่เราทำไว้ก่อนนะก็คือ อย่างเช่นตอนนีเราอาศัยกายเคลื่อนไหวเป็นอารมณ์กรรมฐานเราทําการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นหลักแล้วก็ใจก็คอยรู้สึกถึงการมีอยู่ของร่างกายตอนนั่งเราก็รู้สึกตัวว่านั่งเดินก็รู้สึกตัวว่าเดินกินก็รู้สึกตัวว่ากินนอนก็รู้สึกตัวว่านอนเรารู้สึกตัวนี้เป็นพื้นฐานไว้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 เราเก่งว่าอ่ารู้วความคิดมันจบไปเกิดเกิดมานะเห็นขึ้นมาคิดว่าเราเก่งนะถ้าเราไป่รู้ทัดแล้วก็ปรุงแต่โอ้ยฉันปฏิบัติเก่งเนาะอะไรนะฉันดีเนาะอะไรนะแต่จริงมันดีแค่แป๊บเดียวนะแล้วก็จะเผลอเลนะคล้ายๆเหมือนบางคนเนาะเช่นเด็กๆนะเล่นกีฬาบางทีชุดบ้านเข้าโอู้เก่งว่ะเก่งแต่ เข้าแค่ลูกเดียวนะไม่ใช่ว่าเข้าอลูกต่อไปมันจะเข้าหรือเปล่าคือลืมนะมันเก่งแค่ครั้งเดียวนั่นแหละนะแต่ครั้งต่อไปก็จังไม่เข้าแล้วแต่การสุสติเนี่ยเหมือนเราต้องทาให้มันชนาเหมือนกับนักกีฬาเนาะนักเก่ฑ์นักบาสเกตบอลเขาชุดเข้าลูกหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าลูกต่อไปมันจะต้องเข้าตลอดแต่ถ้าเขาซ้อมเป็นวยซ้อมเป็นวัยนะ ปอร์เในการเข้ามาันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆเจ็ดสิบแปดสิเก้าสิบเปอร์เซนที่มันเกิดความชํานานญะเกิดภาพทิกแทนต่งางๆข้อสามารถทําได้ชีวิตรจริงของเราก็เหมือนกันนะบางทีที่จะเป็นที่เราต้องพฝึกสติให้มันชนานาญเพราะว่าอะไรเราไม่ใช่ว่าทําเป็นคพียแค่ครั้งเดียวทําเป็นแล้วรู้วิธีการแล้วพอแล้วมันไม่พอก็ราะอะไร มันเจริญอารมณ์กระทบหลายอย่างมากนะบางทีแเราปฏิบันในรูปแบบบางทีมันก็ยังไม่ทันเลยนะขนาดนั่งยกมือสิบสีจังหวะนะก็ยังมีความคิดแทรกหลงนะลืมตัวบ่อยๆนะแต่ความคิดนีเดนนะ้เราไม่ได้พูดว่าง้ามนะเราไม่ได้หน้ามแต่พิจารถ้าเราฝึกในจังหวะในรูปแบบนะความคิดมันจะสั้นๆนะเพราะว่าเรากลับมาได้บ่อยกลับมาได้เร็วขึ้น มันก็คิดไปคิดไปช่างมันแต่เราก็จะกลับมาได้เร็วขึ้นเพราะว่าเรามีกรรมฐานเป็นตัวหลักไว้แต่ชีวิตจริงของเราบาทีพอกรรมฐานตัวหลักมันไม่เด็กการงานหรือเหยื่อตนที่เราทํเน่ยบางทีมันก็เคยชินนะแต่ว่าชินก็มีอารมณ์อารมณ์ร่วมจากการที่พูดคุยจากการงานที่วุ่นวายสับสนเนีมันก็ทำให้สมาธิมันตั้งมั่นไดยาก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 มันเหมือนแยกสองส่วนนะตอนทำการทํางานก็คือเนื้อตึงตัวนะปฏิบัติธรรมไม่ได้เลยนะแต่ปฏิบัติธรรมได้ก็สองเมื่องมาทําในรูปแบบเท่านั้นพัตนาก็เหมือนกันนะมีใหม่เราตอนที่เรายังไม่เข้าใจหลักการเดินสติหรือการทําความรู้สึกตัวเนี่ยเวลาปฏิบัติธรรมเราก็ทําได้ทผิดในรูปแบบพอนอกรูปแบบบางทีมันกำหนดไม่ได้แต่ถ้าเคยกําหนด ลมหายใจกําหนดพอดีทำนะแต่มันก็ทําได้ทั้นมากมันไม่สามารถที่จะตื่นแล้วไปคีดเป็นรจมานได้แต่มันรู้สึกว่าพอเรามาเจอสติเรากําหนดรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวมันค่อนข้างง่ายนะมันค่อนข้างที่จะระยุกต์กับชิดที่เป็นจมานได้ง่ายก็เลยการเคลื่อนไหวใร่างกายมันยากนะเราไม่ได้เป็นกำหนดรู้สิทธที่มันละเอียด เช่นลมหายใจหรือหรือบางทีคำบริกรรมเนี่ยมันจะบริกรรได้ในถ้าเราต้องพูดคุยถ้าเราต้องเรียนหนังสือเนะี่ยมันก็มันไม่สามารถที่จะฟังได้ถ้าเราต้องฝึกตารวจแบบนั้นนะแต่ถ้าเราฝึก ค, ความรู้สึกตัวเนี่ยนอกจากการเคลื่อนไปของร่างกายที่มันเป็นธรรมชาติอย่แล้วเนะี่ยเราก็ตามรู้มันไปหรือพออารมณ์มันเกิดขึ้นมาในขณะที่เราทําการทํางานเราเก็บข้ออะไรขึ้นมาเราแค่รู้ทันอ่า พูดคุยกับเพื่อนเขาขัดคองเขาขัดใจอา้าวเกิดความไม่พอใจขึ้นมาเรากลับมาดูใจตัวเองเว่าจะเกิดความไม่พอใจขึ้นอา่าคุยไปเพื่ อ, เ อ, เอเนเกิดถึงอนสนานอา่าเกิดดูทันตัวเองแล้วก็เอ้ยเกิดความชอบเกิด ค, ค, ค, ความเออเพื่อนเพืินก็แค่ดูนะนะแต่เราไม่เป็นต่างเขานะอา่ามัไม่พอใจเราก็ไม่ได้ไปไปดูไปดา่าไปว่าเขา มันพอใจแล้วไม่ใช่ไปหลงหัวรอกนะสนุกสนานจะลืมเนื้อตึงตัวนะแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้นะแต่บางทีรู้สึกมันทีหัวร็กแบบรู้ตัวกับหัวเรอกแบบอึนตัวต่างๆกันเนาะใช่ไหมบางทีคือบางทีเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูบางทีก็แก้งดุก็มีนะะแก้งดุก็ได้นะอไม่ใช่ว่าดูแบบนี้รู้ตัวนี่มันต่างกันเนาะ ทีเราควบโปนนะแล้วก็บตุนนะแล้วก็คือเราคืออัดในใจเราแล้วก็เลยระบายมันไม่รู้ตัวนะบาทีเพราะอารมณ์มันจะขึ้นในจิตเราไม่สามารถที่จะรองรับมันได้นะเราก็เลต้องระบายออกทางสมโพูดทางกิริยาต่างๆใช่ไหมมันคนโกรธมากๆ ม, มันร้อนมันแน่นเลมันต้องหาที่ระบายนะบางคนเนะี่ยคล้ายๆเครีครรยดมากๆต้องหาอะไรว้างหาอะไรทำลายมันจะรู้สึกระบาย คนที่ไม่มีสติก็เหมือนอารมณ์ตื่ขึ้นในจิตใจไม่ไม่สามารถที่จะนะสลายได้ตัวของมันเองมันก็เลยต้องระบายออกทางการทำหมือทำพูดแต่ถ้าคนที่มีสติเนี่ยมันแค่รู้มันก็จะปอกมันเองนะมันก็จะหายไปตรงมันเองไม่ต้องไประบายทางกิยาต่างๆถ้าเรารู้ทางจริงมันก็จะดับไปตรงมันเองนะอารมณ์ แต่บางลมมันแรงบางลมก็เขียนสติเราไม่พอเช่นบางครั้งเรารู้นะว่ามันโกรธแต่พอรู้ต้องมันไม่กลับก็าอะไรสติมันยังไม่พอถ้าแบบนี้จะต้องมสร้างสติใหม่เช่นมันโกรธอยู่ในใจนะแต่เราเก็บไว้ในใจนะแต่ต้องกลับมาดูตัวกลับมาดูตัวกลับรู้ตัวนะพอรู้ไปสักพักหนึ่งนะอารมณ์จะค่อยเบาเพราเราเลยนทันทีเรา บางขณะางทีเราเกิดความประมาทเกิดความคล้ายคล้ายเกิดความวิตกกังวลเช่นต้องพูดในที่ึุมชนใหญ่ๆต้องพรีเซนตงานหรือต้องเป็นพบผู้ใหญ่บางทีจิตมันจะตื่นเต้นจิตมันจะเกิดความวิตกตึงวโนแต่ถ้าใครเคยจุดกรรมฐานบางทีเรากลับมาดูลมหายใจกลับมาอยู่กับมือที่เส้นไหว เธอมันจะค่อยๆสมบบขึ้นนะแต่มาจำความรู้สึกได้นะตอนบวดใหม่ๆนะแล้วก็เราพัดผ่อนต้งนานมาหลายปีก็พัดผ่อนไม่ได้ลกเรียนจบก็ต้องไปจับนะจับไปกดำไปแดงตอนะที่เป็นพระเนี่ยนะแต่ถ้าตอนจับเราเป็นพระเนี่ยจะมีคนเคลียร์ให้ปิดเนะยอะมากนะนะนะเป็นข้อสรุป ข, ของวัยรุนะ่นนะเออ ใบแดงใบแมวเนะ่ยเราก็จะเคียร์แต่อย่างเราเรจยนจำเป็นท่าที่แรกนะก็เกิดความรู้สึกเลยว่ามันเกิดความประหม่าเกิดความกลัวขณะที่เดินข้ามแถวไปเนี่ยเกิดความกลัวพอสติคิดด้อื่นเป็นที่ตึงนะหลวงพ่อเลยสอนการเจริญสตินะเราก็แบมือนะพลิกไปพลิกมาขณะที่ต่อแถวไปนะประมาณสี่ห้านาทีก็ พิกไปมาไม่เป็นก็ต้องได้เสียงเขาโ how เขาเชียร์อะไรกันนะแล้วก็มีดนติของเราไปพอไปถึงตอนจับนะซึ่งมันจับนะมันจับได้ไปดํามันไม่ติดมันก็เฉยเฉยนะอ่ามันก็เฉยเฉไม่ใช่ดีใจเพอเห็น้บางคนพอจับได้ไปแรงฟึ้นะเปียใจจับได้เกิดดำมันดีใจหัวเราะก็เห็นเฮ้แต่เราเน รูสึกเลว่าถ้าจับได้ไปแดงก็ก็คงไม่เสียใจคงไม่นในในแสดงอ า, า, าการเลยจับได้ไปดำก็เฉยแต่มันก็เนี่ยคล้ายๆมันไม่ใช่ว่าไม่มีอารมณ์นะแต่มนมีอยู่แต่พอเราค่อยๆเอาสติเข้ามากำบับมันก็บการค่อยๆลดอารมณ์ตรงมาว่าเชื่ว่าเนี่บางทีบางขณะสติเราเพียงพอเนี่ยอารมณ์ก็ตัดลงไปได้แต่บาคขณะสติมันยังไม่เพียงพอแล้วก็กสร้างสติขึ้นมาใหม่ สางสถิติขึ้นมาใหม่ันยังไม่หายก็ยไม่เป็นไรเราก็สร้างไปเรื่อยๆนะมันบางทีก็ต้องใจเย็นหน่อยอย่าที่ร้อนนะเมื่อเราขิวข้าวเนาะบางทีเรากินข้าวครัำที่หนึ่งคำที่สองคำที่สามันยังไม่มีหรอกนะแต่หน้าที่เราก็กินไปเรื่อยๆนะมันก็จะขมเองนะมันก็จะกินมของมันเองแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะกร็จกินกินคำสุดท้ายมัน มันอิ่มเราก็เอออันนี้มันทําให้เราอิ่มก็ไม่ใช่ใช่อืมเหมือนถ้าเป็นคนไม่ฉลาดเั้งหมดกินอาหากินข้าวแล้วกินหมดแล้วแล้ยังไม่อิ่มพอไปกินผลไม้อื่นมันอิ่มขึ้นมาคิดว่าผนไม้ทำให้อิ่มันก็ไม่ใช่ใช่ไห ม, มแล้วก็เป็นอาหารที่เรากินตั้งแต่คาแรกจนถึงคำเบื่อท้าย ม, มันทำให้อิ่มการภาวนาก็เหมือนกันนะทุกขณะที่เรามีความรูส้สตัวเนี่ย มันถูกของมันแล้วมดีของมันแล้วนะมันเป็นสิ่งที่สมควรนะแต่เราค่อยพัฒนาค่อยๆสะสมค่อยๆให้มันเจริญขึ้นเรื่อยนะมันจะค่อยๆอาศัยเวลาตั้งหน่อยนะเหมือนเราปลูกต้นไม้เราต้องอาศัยรอนะรอให้ต้นไม้ค่อยๆเจริญเติบโตค่อยๆแข็งขึ้นนะ เมื่อมันเจรเติบโตสมบูรณ์มันออกดอกออกผลนะให้ลงเราเมันก็เป็นที่พึ่งของเราได้จิตใจก็เหมือนกันนะอปฏิบัติทําแ้แรกมันก็เป็นที่พึ่งได้ในบ้านช่วครังชั่วคราวเม็ใช่ไม่น้อยพอทําไปเรื่อยๆน่ะมันก็จะพึ่งได้เยอะขึ้นจ้วยกันนี่เราต้ฝึกแบบนี้ไปมันไม่เสียหายมันก็ค่อยพัฒนาไป ตอนไหนที่มีสติมันก็ขึ้นได้แล้วตอนไหนที่ขาดสติอ่ะก็ไม่เป็นไรก็ทําใหม่นะทำไปเรื่อยอางนี้นะให้เราช่อยพยายามฝึกหัดทำไปเรื่อย น, นะเรารู้สึกตัวที่ปัจจุบันนะ่ะทำนี่แหละนะทําที่ปัจจุบันนี่แหละนะวางเรื่องราวในอดีตวางเรื่องราวในนามตรงทีมากที่สุดนะแค่เราใส่ใจว่าตอนนี้ด้านกายกทำลังทำอะไร ดูเหมือนเป็นร่างกายคนอื่นเขาเดินดูเหมือนเป็นคนอื่นเขานั่งดูเหมือนเป็นคนอื่นเขาปวดเขามึนไงใช่ไหมแต่ถ้าพอสมควรแก่การเวลาต่อรองลับสามสี่รอบการเปลี่ยนในรองเขาขนาดนี้ปวดเข้าห้องน้ำก็เหมือนกันนะบางทีเราแค่เราเดินแล้วมันเบื่อนะบางทีไปเปลี่ยนอันรองเส้นใหม่หรือเป่าข้าห้องน้าแต่บางที มันอยากปวเท่าจริงหรืว่าจะเบืออมาซึมเปลีป่ยนมันอย่า น, นี้ยเราสังเกตอยู่เนาะทาอะไรก็แล้วแต่มันทนสักหน่อยนะตั้งกายพอสมควรมันปวดเรื่ยมาแล้วให้เปลีป่ย น, นมันแต่จิตใ จ, นนจนนเนี่ยนะถ้าอยากคนก็ทนกับอารมณ์มองตัเองนี่แหละนะอารมณ์เบืออ่ออารมณ์ง่วงอารมณ์ฟุ้งซ่านคนในที่นี้ก็คือคนดูมัน จะทำตามมันนะทนดูมันอ่มันจะเกิดขึ้นมาก็ดูมันอ่าดูมันดูมันดูกะบางทีดูกบแก้งแก้งมันหรือก็ได้นะเราเคยแก้มาลงไหเอ่มันเบื่อเราเคยแกล้งมันไหมบางทีเราไม่เคยแก้งมันเนาะมันเราเคยแต่ทำตามมันนะอ่แก้มันก็เสือวขัดใจมันนะขัดใจแก้มันไม่ไดบางทีก็ต้องฝึกกับมันนะถ้าเราไม่ฝึกขัดใจเขาบ้างเนี่ย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 ลูอยากจะได้ของเลนได้แพงๆคณะที่บ้านก็พอมีเยอะแล้ว น, นี่ต้องขัดใจไม่ทํำตามใจคเขานะเขาจะร้องไห้ก็เรื่องของเขาก็ต้องใจแข็งๆดูเข า, า, นะนะาต้องให้คนไว้นมันเป็นการฝึกนะถ้าเราไม่สุกคราจะนั่ต่อไปก็จะทําตามใจไปเรื่อยอยากได้อะไรก็ดูว่าร้องไห้แล้วพ่อจะทําพ่อจะซื้อให้แม่จะหาให้นะี เขาจะเรียกร้องความสนใจไป เ, เรื่อยๆจนรทั่งเขาก็เป็นผู้ใหญ่ที่ทำตามใจนะแต่ถ้าเราเคยขัดใจเปยฝึกใจนะบ่อยๆนะเราเคยขัดใจของเราเองนะขัดไบบนี้ก็คือการขัดเหมือนขัดทิ่งตกระโปกออกไปจจิตใจนะเกิดการลุกขึ้นมาเราขัดใจมนะันไม่ทำตามมนะันจิตใจมันจะไม่ค่อยสถา่าไม่ค่อยรู้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 บางทีไม่ถ้าไม่ใช่ไม่แตเด็กนะบาทีพ่อแม่เนี่ยคนเฒ่าคนแก่บางทีถ้าไม่ได้ฝึกใจดีๆเนาะพอแก่ไปบาทีก็อารมณ์เหมือนเด็กอีกนะแต่เราถ้าเราเข้าใจตอนนะเราจะไม่หงดหินนะเขาเขาก็อารมณ์แบบนั้นเนาะแต่บางคนไม่เข้าใจก็หงุดหงิดก็ไม่พอใจนะเนี่ยื่อทีเรา ขัดใจตัวของเราเองเนี่ยลองดูอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาก็แค่ดูมาเฉยเฉยนะไปทำตามมันแต่ก็ไม่ไม่โกรธเขานะยนี่คือการขัดใจของเราเองด้วยสตินะเมื่อเราขัดไปเรื่อยเราจะเห็นว่าไม่ว่าอารมณ์อะไรก็แล้วแต่นะมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนนไที่นั้นแหละไม่มีอะไรที่แค่แน่นอนนะสติมันจะทำให้เกิดปัญญายเห็นว่า อะไรจะเกิดขึ้นมาเดี๋ยวเราค่อทำเความคิดดีขึ้นมาเนี่ยถ้าทักก็ดับความคิดไม่ดีขึ้นมาถ้าทักก็ดับมันมีแต่อาการเกิดดับเท่านั้นแต่ถ้าเราไม่เห็นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเราทำตามมันอ่ะมันก็คือมันก็ปรุงไปกับเขาเลยแต่ถ้าเขาเห็นเขาต้องพอแต่จริงมันมีแค่เกิดกับดับนะเราจะเห็นอาการเกิดดับเมื่อใครเห็นอาการเกิดดับของจิตเนี่ย เราเรียกาาว่าได้ได้ต้นทางของการภาวนาก็ได้นก็ถือว่าว่าที่เห็นว่าอารมณ์ที่เราเคยต้องทำตามเขาต้องเป็นท่าของเราที่จริงถ้าเราเปฏิเสธเขาจริงๆริงเขาก็ทำอะไรเราไม่ได้นะอืมมันจะเป็นอิสระลเลยแต่ก่อนเนี่ยเราเคยเป็นท่าเขาสั่งอะไรขึ้นมาจิดใจมันสั่งอะไรขึาา้นมาเราต้องตองเขาแต่พอเรา สามารถเป็นอิสระไม่ัำตามเขาได้จริงเนี่ยเราต้องทำอะไรไม่ได้นะชอดจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราเผลอเองนะเรา เ, เรื่องเผลอเองเนะี่ยเรากัวเขาไม่พอใจแล้วก็เลยทำตามเขาที่เริงแต่จริงพอเราไม่ัำตามเขา จ, จริงนะเขาก็ทำอะไรไม่ได้นะเพราะเราแคยบางทีไปซื้อของนะบนะางคนเป็นคนที้เกียใจนะเข้ามาขายของเนะี เข้ามาอะไรก็ได้แต่นะเกรงใจเขานะเขาอุตส่าห์หน้าที่หน้าหมายสุดท้ายต้องพื้นให้กับเขานะทำทั้งที่ไม่ได้อยากจะได้นะเป็นแค่เกรงใจเกรงใจเขาที่เขาอุตส่า์มาเพียรพยายามกับเราหรือบางทีเรากระไรกัวครูครูเขาไม่พอใจ น, น, นะถ้าเลยต้องทำตา ม, ตามนะแต่จริงถ้าเราหนะ้าที่เราน เราก็มาให้กำหนดความสำคัญของเราว่าเราต้องการหรือไม่ต้องการเราก็ทาตามความรู้สึกจริงๆแล้วมันก็ไม่จะปฏิเสธหรือทาตามมันก็มันต้อ ง, ปองเป็นเรื่องของเราละหน้าที่ของกิเลสเขาก็งเหมือนกับแม่ค้าก็ ค, าค้านะเขาก็มาขายสินค้าสินค้าคืออะไรสินค้าคือความโกรธสินค้าคือความโลภสินค้าคือความหรง เด็กจะเป็นผู้ยิ่ง่ายสินค้าคือความคิดนะสินค้าคือความชอบความชังทีเป็นจิตเขาแค่มาขายนะแต่หน้าที่เราจะเด็ดซื้อเข้าไหมเราจะใช้เขาไหมนี่จุดติดติดของเรานะถ้าเรามีสติเราจะเป็นผู้ที่สามารถเลือกได้นะเรามีิตที่จะเลือกที่จะทุกข์หรือจะสุขเรามีจิตที่จะเลือกปฏิเสธอารมณ์หรือว่าทำตามอารมณ์ เราดีสิิเต็มที่เมื่อ น, นั้นน่ะถ้าเราเห็นว่าสิทธิที่เชอบทำคือตัวสติเกิดปัญญาในใจนี่เองนะ่ะถ้าเรามีธรรมะนี่ยมันจะเป็นผู้ที่เลือกได้แต่ถ้าเราขาดสตินะมันก็จะไม่มีสิทธิที่จะเลือกก็ต้องทําตามเขาให้ลองดูดีถ้าใครเห็นสิทธิในชีวิตของเราได้โดยการที่มีสติเห็นจริงเนี่ยนะอืม มันจะเห็นช so, ่องทางมันจะมั่นคงขึ้นวราเออทางนี้แหละมันจะไม่ไ่อยขวีมันจะไม่หวั่นไหวมันจะรู้ว่าทางนี้แหละคือทางที่จะออกจากปุ๊บเราทําสิทธิ์ได้ครั้งหนึ่งแล้วมันก็จะเกิดการอยากจะทำขึ้นเรื่อยๆนะแต่จะพัฒนาให้มันเข้มแข็งเรื่อยๆนะเคยชนะฟองโผล่ได้ครั้งหนึ่งนยเออจะเพียงแล้วลคือมันก็ชนะได้อีกนะ เคยใช้นักความคิดไม่ทําตามน้องคิดได้เนี่ยเราก็จะรู้แล้วคือมัสามารถที่จะเป็นไทยะเป็นอิสระได้กอ่นไม่ต้องทําตามมันก็ได้นมันจะเกิดการขยันนะถ้าใครเก่งแล้่มันจะเกิดความขยันเลยไม่ต้องมีใครบังคับไม่ต้องมีใครบอกนะมันจะขยันเองนะขยันสร้างไปเรื่อยๆนะสร้างเรื่อยๆมันจะมีคุณค่าของการภาวนาะ อันเนี้ยก็เราก็ต้องทําเองนะไอ้เรื่องเนี้มันไม่สามารถที่จะทําให้กันได้อาจจะมาประเพียงแค่เล่าให้ฟังนะหรือว่าชี้ชวนอธิบายเล็กๆน้อยนะแต่จริงที่มีค่าก็คือประสบการณ์ในชีวิตของเราเลยแหละนะแต่ละคนก็มีประสบการณ์ของเราเองนั่งด้วยกันเนะี้ยแต่โลกที่เกิดขึ้นที่ไม่เหมือนกันแต่ถ้ามีสตินะ มันจะเป็นคนคนเดียวกันปติจะเป็นชฉยๆธรรมดาเดียวธรรมดานะแต่ถ้าขาติเนี่ยบางคนอาจจคิดนะสนุกสนานบางคนอาจจคิดเศร้าบางคนอาจจะดีใจเสียใจเป็นคนละคนกันละแต่ถ้ามีปฏิเป็นคนคนเดียวกันจืดจเหมือนกันปกติเหมือนกันเหมือนกับน้ําเปล่าอ่ะน้ำเปลนะนะ่านะมันก็พรสชาตินะเป็นคล้ายกันเหมือนเหมือนกัน แต่ถ้าน้าสีน้าอะไรแล้วแต่แก็มีความหวานมีความเที่ยวความเค็มความเมาอะไรต่างกันไปนะอารมณ์ก็เหมือนกันนะถ้าเราอยู่ด้วยกันนะแต่เราคนคิดอยากจะทำนะั่นทำนี่สุดๆทุกๆของเรามันจะพุ่งบ่ายมากโลกพุ่นบ่ายมากแต่ถ้าเร็นมิตรดีเนยะอารมณ์จะเป็นหนึ่งเดียวกันเนะสมือนกันไปได้วยกันได้นอะนคืนอยู่ด้วยกันได้นะ อันนี้มันจะเป็นคนคนเดียวกันนะเน่ยเนาะก็ปากไวนะในชาวันนี้นะผผมงพอสมควรเกล้านะคัะ